ตอนน่อไปพึ่งพากันตั้งใจสำมรวมจิตใจของตนให้ดีถ้าสำมรวมใจได้ดีมันก็ไม่มีมมภัยอันใดมารบ ก, กวนภัยคือกิเลสผู้สำมรวมจิตใจด้วยดี ใจตั้งมั่นลงไปแล้วกิเลสครอบงำจิตไม่ได้ธรรมดาของกิเลสมันเป็นมารของขจิตใจมันน่วงเนียวจิตนี้ให้อุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้ไม่มีสิ้นสุด ดังนั้นให้พากันพิจารณาให้มันเห็นภัยคือความแก่ความเจ็บความตายอันนี้เป็นภัยอันใหญ่หลวงเป็นภัยน่าสะพึงกลัวอย่างยิ่งความกลัวทั้งหลายในโลกนี้ความกลัวตายนั่นเนี่ยเดียวว่าเป็นความกลัวอันสุดยอดเลย ให้พากันพิจารณาดูให้มันเห็นเรานั้นมันสะดุ้งวัดวันตกความตายอันนี้มานับชาติไม่ทวนแล้วเกิดมาชาติได้ก็มาแก่มาเจ็บแล้วก็มาตายก่อนจะตายมันก็สะดุ้งวัดวันพันพึง่ง เศร้าโศกเสียใจผู้ที่มีจิตใจกังวลมากยึดนู่นยึดนี่มากๆยิ่งเป็นทุกข์ร้ายเหตุที่มันพ้นทุกข์ไปไม่ได้ก็เพราะจิตใจมันห่วงโลกนี้เองนะมันยึดมั่นอยู่ในโลกนี้โดยความยินดีโดยความยินร้ายโดยความเสียใจ ด้วยความเศร้าโศกมันยึดไว้ด้วยอาการดังกล่าวมานี้จึงเรียกว่ามันเป็นทุกข์ถ้าเพียงแค่ว่ายึดขันห้านี่ไว้เพื่อฝึกตน้นเพื่อบำเพ็ญบุญกุศลเพื่อทำละกกิเลสตัณหาอันนี้ให้หน้อยเบาบาง หรือหมดไปสิ้นไปถ้ามันยึดถือแบบนี้มันก็ไม่มีภัยเท่าไหร่นักเหมือนอย่างบุคคลนั่งเรือรับจ้างจากฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งโน้นในความรู้สึกนั้นไม่ได้ถือว่าเรือนี้เป็นของเราเราจ้างเขาขี่ไป จากฝั่งนี้ไปถูกฝั่งโน้นเท่านั้นเองพอขึ้นเรือแล้วก็แล้วไปไม่ได้ห่วงใยอะไรในเรือนั้นเลยพ่อพโมานานี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเราอาศัยขันห้านี้ประกอบคุณงามความดีทต่างๆตั้งแต่อย่างต่ำจนถึงอย่างสูง ก็เพราะเราได้อาศัยขันหานี่เองเนี่ยถ้าไม่มีขันหา้าอันเป็นรูปร่างของมนุษย์นี่ทำคุณงามความดีอะไรก็ไม่ได้เหมือนอย่างสัตว์เดรัจฉานที่เราเห็นกันอยู่นี่ที่เกิดร่วมโลกกันอยู่นี่นะมันก็ทำความดีอะไรไม่ได้เลยอลองเทียบกันดูอย่างนี้แหละแล้วมันก็มีจิตวิญญาณเหมือนกัน แต่จิตนันมันถึงไม่มีความรู้ความฉลาดอะไรท่านท่านเดีย ว, ว่าสัตว์ที่เจริญทางขวางไม่มีสติไม่มีปัญญาอะไรสัตว์ที่เจริญทางตั้งนี่เป็นสัตว์ที่มีสติปัญญาพนหน่ดังนั้นให้ภาคภูมิใจที่ตนได้ ขันห้าอันเป็นมนุษย์นี่มาด้วยอํานาจบุญกุศลแต่หนหลังนนมาตกแต่งให้เนย่าประมาทเพราะว่าขันห้านี่ถึงแม่บุญกุศลมันจะตกแต่งให้มันก็ไม่เที่ยงเพราะบุญกุศลที่ตกแต่งขันห้านั้นก็ไม่เที่ยงดังนั้นขันห้านี้จึงไม่เที่ยง ต้องให้ทำความรู้ทำาวาเข้าใจอย่างนี้ในระยะที่บุญกุศลอย่างรักษาขันห้านี่ให้มีกำลังวางชาอยู่ล้วก็ต้องรีบเร่งสั่งสมบุญกุศลให้เกิดมีในตนเสียให้เต็มที่ก่อนที่ขันหน้ามันจะแตกดับทำลายไป แ่ผู้มีผู้มีปัญญาย่อมหาอุบายเตือนใจของตนไม่ให้ประมาทอยู่อย่างนี้เตือนใจว่ามัจยุราชคือความตายน่ะเป็นภัยอันใหญ่ยิ่งต่อชีวิตนี้ขพราะใครใครเกิดมาแล้วก็ไม่อยากตายอยากมีอายุอยู่ยัง่งยืนนานตลอดไป แต่เมื่อความตายมาถึงเข้าแล้วกระยอมเสียอกเสียใจยอมสะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายด้วยทั้งไม่อยากตายด้วยนี่แหละพระุทธเจ้าตรัสว่ามารณะปีดุ ข, ขังความตายก็เป็นทุกข์เป็นเสียแต่ท่านผู้รู้แจ้งในขนันธานี้ตามเป็นจริง ท่านละมั่นท่านละความยึดมั่นถือมั่นด้วยอำนาจแห่งความรักความชังความหลงความเมาดังกล่าวมาแล้วนั้นได้เสียโดยประการทั้งปวงแต่เมื่อบุญกุศลที่ท่านบำเพ็ญมาแต่ชาติก่อนยังมีอยู่ท่านก็ยังไม่นิพพานก่อนอาศัยบุญเก่านะั้นรักษาชีวิตนี้ไว้ ท่านก็ได้บำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นไปเมื่อบุญเก่าหมดลงเมื่อใดแล้วท่านก็ดับขันเข้าสู่นิพพานไปนั่นแหละผู้ที่พ้นทุกข์พ้นภัยในสงสารนี่นะปรากฏว่ามีแต่ผู้มาเกิดอาศัยขันห้าอันเป็นมนุษย์นี่ทั้งนั้นเลย ขันห้าเป็นเทวดาก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นมนุษย์นี่แหละดังนั้นนะอย่าไปปล่อยให้ขันห้าดิมันสุดโสมแตกดับไปเสียเปล่าๆ เ, เราได้ที่อยู่ที่อาศัยสร้างบุญสร้างบา ร, รมีแล้วเป็นอย่างดีอืม อย่าใช้ขันธหน้านี้ไปทำบาปผู้ใดอยู่ในเพศใดภูมิใดก็รักษาข้อวัดปฏิบัติของตนอยู่ในเพศนั้นภูมินั้นให้ได้เพราะว่าความเป็นอยู่ของคนเรานั้นมันแตกต่างกันด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่บุคคลแต่ละคนสร้างมาแต่ชาติก่อน มากกวกาัน้อยกากันไม่เท่าเทียมกันหกบำเพ็นบุญกุศอนมามากพอสมควรบุญกูศอนนั้นมันก็ะ ด, ดนบันดาลให้เบื่อในในการอยู่ครองเรือนยินดีในการเป็นนักบวชชอบความสงบระ ง, งับไม่ชอบทะเลาะวิวาสกับใคร ไม่ชอบก่อกรรมก่อเวรกับใครผู้เช่นนั้นแล้วก็ย่อมน้อมใจไปใ น, ในทางที่เป็นนักบวชก็จึงได้เข้ามาบวชในวัดวาสานานี้ถ้าบุญไม่มากไม่ได้เข้ามาบวชเลยก็ต้องให้พิจารณาให้เห็นอนุภาพแห่งบุญกุศลที่ทนได้ บำเพ็ญมาแต่ชาติก่อนว่าอ๋อเรานี่มีบุญมากหนอจึงได้มาบวชเมื่อเป็นช น, นีแล้วเราจะไปถอยหลังคืนไปนี่จะสมควรหรืออ่าก็ต้องเตือนตนสอนตนอย่างนี้เพราะว่าตนมีบุญมากแล้วส่งตนส่งชีวิตของตนให้สูงขึ้นมาอย่างนี้ เดียว่าความเป็นอยู่ในโลกนี้นะความเป็นอยู่ของนักบวชในพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเป็นความเป็นอยู่อันสูงสุดเลยไปเดียวว่าเพราะว่าผู้เป็นนักบวชนี่สามารถประพฤติปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาหรือมรรคมีองค์แปดนี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ จนละอาสวะกิเลสขาดจากสันดานโดยเอกเทศบ้างโดยสิ้นเชิงบ้างได้อยู่เป็นจำนวนมากแต่ครั้งพุทธการหรือว่าในอดีตล่วงแล้วพระพุทธเจ้ามาตารัสรู้ในโลกแต่และพระองค์ก็ช่วยสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากวัตนาะนอันนี้เข้าสู่นิพพาน ขณนะนับไม่ทวนเหมือนกันนะดังนั้นนะ่ะให้มันพิจารณาดูตัวตัวเองแล้วมันจะไม่ได้ถอยหลังเข้าครองต่อไปสำหรับผู้มีบุญพอปันกลางเช่นนี้ก็อยู่ครองเลือนแต่แล้วก็มีศรัทธาแรงกล้าในการ ประพฤติปฏิบัติตามคำสองอุตตเถรเจ้าตามฐานะของตนผู้ครองเรือนเพราะธรรมะของผู้ครองเรือนพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงสั่งสอนไว้คือศินห้ากรรมบทสิบอันนี้เรียกว่าเป็นธรรมะของผู้ครองเรือนเหนือขาทำบุญบริจาคทานหมู่นี้ การปฏิบัติตามคำสอนของพุทธเจ้าอย่างนี้ก็เป็นการสั่งสมบุญบารมีให้แก่กล้าขึ้นไปถึงแม้จะอยู่ครองเลือนก็สามารถสั่งสมบุญกุศลได้ถ้าผู้ไม่ประมาทแล้วนะแต่ว่ามันมีน้อยคนเทศจะ ไม่ทำบาปที่จะตั้งใจทำแต่บุญร่วนร่วนนั่นมีน้อยเลยไอบ้บางส่วนมากก็มีสินอยู่บ้างขาดไปบ้างอย่างนี้มีเป็นจำนวนมากบรรดาผู้นับถือพุทธศาสนานี่นะสำหรับผู้ที่จะมีสินเป็นนิจสิน เลื่อยๆไปแล้วนะ่ะมีน้อยไม่มากดังนั้นสินเนี่ยจึงจือว่าสำคัญมากทีเดียวไม่ว่านักบวชไม่ว่าคริงหัดถ้าไปร่วงสินเสียแล้วก็มาขอมาทำบาปนั่นเองเนี่ยเมื่อทำบาปแล้วบาปมันก็ครอบงมจิตใจเศร้ามองคุณมัว เหมือนจะบำเทนบุญกุศลคุณธรรมไม่สูงขึ้นไปไม่ได้เลยเพราะบาปมันครอบงมจิตไวแล้วไม่มีความสามารถที่จะทำความเพียรให้ก้าวหน้าไปได้เพี้ยนเสียแต่ผู้นั้ น, นเห็นโทษของกิเลสมาแต่เบื้องต้นเห็นโทษของบาป มาแต่เบื้องต้นแล้วไม่ทำบาปมละเว้นบาปเสียเรื่อยๆมาเส้นนั้นแล้วผู้นั้นก็จะมีจิตใจผ่องแผ้วสามารถทำกุศลคุณงามความดีให้สูงขึ้นไปได้แต่ผู้ใดเมื่อยังหนุ่มแน่นกำลัง เพิดเพลินมัวเมาในลาบยศสรรเสริญในความรักความใคร่อะไรมากมายแล้วก็หลงทำบาปทำกรรมชั่วห้าอย่างนั้นอย่างใดอย่างหนึง่งหรือว่าหลายอย่างเมื่อต่อมาได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ตื่นตัวได้ว่าเรานั้น ทำชีวิตให้เป็นหมันไปเสียนานแล้วเพราะไม่ได้ละบาบปบาเพ็ญบุญทําชีวิตให้มัวหมองบัดนี้รู้ตัวแล้วเราจะชาระชีวิตอันนี้ให้มันผ่องใสสะอาดด้วยสมทานมั่นอยู่ในศีลสมทานมั่นอยู่ในทานการกุศลต่างๆคิดได้อย่างนี้แล้วก็ สมรานมั่นอยู่ในสินลงไปจะทำมาหาเลี้ยงชีพอยู่ในกรอบแห่งสินนี่แหละจะไม่เลยสินนี่ไปเลยจะได้เท่าไรก็บริโภคเท่านั้นแหละเพราะชีวิตนี่มันสั้นเหลือเกินมันยังน้อยเดียวแม้บคุคคลทำบาปได้เข้าของเงินทองอาหารอัน เริสอร่อยมาเลี้ยงอัตภาพนี่เท่าไรมันก็ไม่ยังยืนอยู่ร่างกายอันนี้นะมันก็จะแตกกระดับไปยูเมื่อแตกดับไปแล้วร่างกายนี่มันไม่ได้ไปเสวยทุกมันก็เป็นแต่สภาวะธาตุแตกออกจากกันไปแล้วก็เป็นธาตุดินธาตุน้ำอยู่ตามเดิมส่วนดวงกิดนี่สิมันมีบาปความชั่วนั้นเป็นผู้นำไป สู่ทุกข์ในโลกหน้าต่อไปก็ต้องให้เข้าใจอย่างนี้เตือนตนอย่างนี้มันถึงจะละบาปบำเพ็ญบุญได้ถ้าบุคคลใดไม่เชื่ออานุภาพของบาปกรรมว่าบุคคลใดทำบาปทากรรมแล้วจะบาปกรรมจะนำไปสู่ทุกข์ในโลกหน้าหรือสู่ทุกข์ในปัจจุบันนี้ไปก่อน าหากว่าไม่เชื่ออย่างนี้แล้วมันก็ละ บ, บาปไม่ได้เลยอืมเพราะว่าบุคคลทําบาปลงไปในปัจจุบันนี้แล้วไม่ใช่ว่าบาปนั่นมันให้ผลทันทีเลยบางอย่างนะบางอย่างก็ให้ผลทันทีสิ่นอย่างไปที่ปล้นเอาสมบัติผืนเมาเป็นของตนเหล่านี้เป็นตน้น เมื่อเจ้าหนะ้าที่เขาทราบเขาตามจับเอาได้ทันควันก็ไปฟ้องร้องติดคุกติดตารางอย่างนี้ก็มีอยู่คำชั่วบางอย่างนี่มันให้ผลปัจจุบันนี่นะแต่ว่าบางอย่างมันก็ยังให้ผลไม่ได้อืมเนื่องจากว่าบุญกุศลนนหลังนั้นยังรักษาไว้อยู่ไงผู้นั้นจะไปทําชั่วในปัจจุบันนี้อยู่ บางคนก็ฆ่าคนตายแล้วเขาจับไม่ได้มีอยู่เยอะแยะก็พ่อบุญแต่ที่เขาทำมาแท้ชาติก่อนนั่นแหละรักษาเขาอยูอ่ก็ขอให้เข้าใจอย่างนี้อนุภาพของบุญนี่นะเมื่อมันมีอยู่ในกายในจิตของคนเรานี่มากๆแล้วมันก็ช่วยรักษากายและใจนี่ ให้พ้นจากภัยพิบัติอันตรายต่างๆได้บุคคลมาเข้าใจอย่างนี้แหละมันยังทำบาปไปเรื่อยๆเพราะเข้าใจว่าทำไปแล้วไม่เห็นมันให้ผลเป็นทุกอะไรต่ออะไรเลยก็มเมื่อบุญเก่ายังไม่หมดบาปกรรมที่ทำม่นี่มันยังให้ผลไม่ได้ เมื่อบุญเก่าหมดลงไปแล้วบาปกรรมที่ทำนี่มันก็ให้ผลสืบต่อแล้วอย่างเช่นเมื่อคนบุญเก่าหมดลงแล้วตายอย่างนี้นะบาปกรรมที่ทำนันมันก็ฉุดข่าเอาดวงจิตนี้ไปสู่ทุกข์ในโลกหน้าต่อไปเป็นอย่างนั้นขอให้เข้าใจดังนั้นนะพระพุทธเจ้าจึางแสดงไว้ใน ตำราตำลาก็มีอยู่แทบทุกกันเลยเมื่อบุคคลทำบาปมีฆ่าสาัตว์เป็นต้นแล้วละโลกนี้ไปแล้วย่อมไปสู่ทุกในอบายภูมิทั้งสี่ภูมิใดภูมิหนึ่งเช่นมีนรกเป็นต้นอย่างนี้พระองค์แสดงไว้ในพระสูตรเกือบทุกกันเลย เนี่ยะควรพากันพิจารณาให้มันเห็นก็พระองค์รู้แจ้งแล้วนี่จึงได้นำมาแสดงรู้แจ้งโดยพยานแล้วนะเป็นอย่างนั้นเว้นเสียแต่บุคคลใดรุ่มหลงทำบาปกรรมมาแล้วอย่างนี้รู้สึกตัวได้แล้วสมทานมั่นอยู่ในศีลห้าประการนี้แล้วไม่ทำอีกต่อไป แล้วก็เจริญภาวนาเข้าไปทําใจให้สงบระ ง, งับจากบาปอากุศลต่างๆที่มันครอบงําจิตใจอยู่ให้บาปอากุศลเหล่า น, นั้นระ ง, งับไปออกจา ก, กจิตใจได้แล้วในปัจจุบันนี้นะบาปนั้นมันก็ไม่ตามไปสนองในโลกหน้าต่อไปอีกเป็นอย่างนั้นเพราะบาปมันไม่ได้อยู่ที่อื่น อยู่ที่ดวงจิตนี้เองนะอืมเช่นอย่างความโกรธความมยาบาดอาฆาตจองเวนผู้อื่นอย่างนี้นะถ้ามันมีอยู่ในจิตใจของผู้ใดผู้นั้นไม่เห็นโทษของมันไม่ละความมยาบาดเป็นต้นเหล่านั้นออกจา ก, กจิตใจแล้วความมยาบาทนั้นมันก็ติดสอยห้อยตามไปสู่โลกหน้ามันก็ไปบันดาลให้ เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นอีกสร้างบาปสร้างกรรมใส่ตัวเองเข้าไปอีกอตัวเองก็พอได้รับผลเป็นทุกข์ในชาติต่อไปมันเป็นอย่างนี้อุปทานความยึดมั่นถือมั่นนี่นะดังนั้นและพระศาสาดาจึงทรงสอนให้ภาคเพียรระวังอย่าให้บาปเกิดขึ้นในจิตสันดาน แต่ถ้ า, าว่ามันพลังเผอพลังเผอไปหลงรุมหลงทำบาปกรรมความชั่วไปรู้ตัวเมื่อใดแล้วก็ตั้งใจอธิษฐานนนต่อนี้ไปข้าพเจ้าจะไม่ทําอีกแล้วจะละเว้นไปเลยอย่างนี้นะเมื่อตั้งอธิษฐานใจอย่างนั้นแล้วก็มีสติสมบัติญาณซ้ำรวมจิตใจไปเรื่อยๆไม่ทําบาปเช่นนั้นต่อไปอีก บาปนั้นมันก็ย่อมสงบรังับไปจากกิจใจเป็นอย่างนั้นหรือมิฉะนั้นก็ไปสมทานกับพระกับเจ้าผู้มีคุณธรรมสูงกว่าตนอันนี้พระศาสดาทรงสอนให้เพียรละบาปกระเพาะเหตุนี้แหละเพราะคนเรายังมีกิเลสอยู่บางทีก็เผลอทาบาปไปนี้นะบาปอันเป็นละหูกรรมเนี่ย บุคคลรู้ตัวแล้วเพียงไย่ห า, ยามละสามารถละได้เว้นเสียแต่บาปอันเป็นคารุกรรมเป็นกรรมนหนักเช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอระหันทร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงยังพระโลหิตใ้หัว ข, ขึ้นไปทำสทงให้แตกจากกันกรรมห้าอย่างนี้เป็นบาปอันหนักที่สุดห้ามสวรรค์ห้ามนิพพาน ตั้งอยู่ในฐานปาราชิกของผู้นับถือรพระพุทธศาสนาพระศาสดาทรงแสดงครุกรรมกรรมหนักไปอย่างนี้นะดังนั้นผู้ใดได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้พึงสังวรระวังได้มากมา ก, มากคนโทษจาริตรีถ้าหากว่าไม่ จะเลยเมตตายมากมากจริงๆแล้วมอค่าได้ตลอดถึงพ่อถึงแม่ทีเดียวแหล ะ, ะดังนั้นควรพากันรู้ตัวอย่าไปสร้างบาปกรรมอันหนักหนาใส่ตัวเองเพราะบาปกรรมเหล่านี้นี่เมื่อตายแล้วมันจะนำไปสู่อาเวจีมหาน ร, รกตุนน่นเป็นนรกที่ทุกข์ทนทรมานอย่างยิ่งเลยประเดียว แล้วก็นานมีอายุอยู่นานซะด้วยอะ น, นี่แต่ยังน้นส่วนละหกกรรมกรรมเบานี่นะเมื่อคนได้รู้ตัวแล้วภาพเคลีย์พยายามละไปทำจิตใจให้สูงอยู่ด้วยคุณธรรมขึ้นไปแล้วมันก็เป็นอาโหสิกรรมไปบาปกรรมนั่นก็ตามไม่ทันถ้าถ้าบา กรรมอันเป็นส่วนละหุกรรมในหากละไม่ได้แล้วไส้พระศ า, ศาสดาจะไม่ทรงสอนให้ภาคเพียนพยายามละเลยอคอยเข้าใจอย่างนี้ทีนี้เมื่อบุคคลอธิษฐานใจละเว้นจากบาปนั้นแล้วก็อธิษฐานใจว่าเราจะบำเพ็ญบุญกุศลสืบต่อแบนนี้นะเช่นเมื่อเราอธิษฐานละความโกรธความมัจบาศ ยองเวีนใครต่อใครลงไปแล้วเราก็เจริญเมตตาแทนอืจเจริญเมตตาคิดปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันไม่ปรารถนาจะให้ใครเป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะกิริยาอาการของกายที่ตนแสดงออกไปไม่ปรารถนาที่จะทําความทุกข์เดือดร้อนให้แก่ใครด้วยกิริยาวาจาที่พูด เสียบแทงคนอื่นพูดหยาบคายให้แก่คนอื่นเจ็บอกเจ็บใจอย่างนี้นะไม่ปรารถนาเลยผู้เจริญเมตตาแล้วก็ต้องสมรวมจิตใจอยู่เสมอไม่ให้ความโกรธมันเกิดขึ้นในจิตใจอย่างร้ายแรงแม้มันจะเกิดขึ้นก็ให้มันเกิดขึ้นเพียงนิดหน่อยรู้ตัวแล้วก็รีบกำหนดละมันทันที เช่นนี้แล้วผู้นั้นก็ไม่ได้ทำบาปทำกรรมชั่วใส่ตัวเองต่อไปบาปกรรมที่ทำมาแล้วก็มันก็เป็นอาโหสิกรรมไปมแล้วก็ไม่ได้สร้างบาปใหม่เข้าใส่ตนอีกนี่นะที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้ละบาปแล้วกับบำเพ็ญบุญกุศลใส่เข้าจิตใจไว้แทนบาปนั้น ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วบาปนั้นมันก็จะย้อนกลับมาครอบงาจิตใจอีกต่อไปเช่นอย่างอุคคลที่เมื่อเห็นโทษแห่งความโกรธแล้วแต่ว่าไม่ได้เจริญเมตตากรุณาให้เกิดมีขึ้นในจิตใจเช่นนี้นะเดี๋ยวไม่นานเนี่ยความโกรธมันก็เกิดขึ้นมาอีกแล้วอืมเช่นนั้นอุคคนผูเห็นโทษแห่งความโลภ ความเพ่งเลงในสมบัติผู้อื่นในทางทุจริตอยู่แต่ว่าไม่ถือสันดุธีตามมีตามได้ไม่อธิษฐานใจว่าเราจากสแสวงหาเลี้ยงชีพด้วยลำแข่งของตัวเองได้มากน้อยเท่าใดเราก็ยินดีบริโภคใจสวยอยู่เท่านั้นแหละแม้คนอื่นจะมีมากกวัวตนตนก็จะไม่ไปคิดแย่งสิงเอา สมบัติของผู้อื่นเลยนันถ้าคิดได้อย่างนี้แล้วก็ถือสันตุถีอมีตามได้ตนหามาได้เท่าไรก็บริโภคใช้สอนไปทอนนั้นความโลภทั้งหลายมันก็ย่อมครอบงมจิตใจไม่ได้ต่อไปอีกความโลภมันก็เป็นมูลเหตุของบาปอากุศลอย่างหนึ่งนี่ต้องให้ ใส่ใจไว้ให้มากๆคนเราหนะมันบุคคลทําบาปทําช่วยในโลกนี่ก็เพราะมันมาจากกิเลสเหล่านี้แหละกิเลสตัวนี้เป็นมูลเหตุถ้าหากว่าไม่ไม่สร้างกิเลสเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในดวง จ, จิตแล้วก็ไม่ได้ทําบาปเพราะความโลภนั้นอืม ดังนั้นทุกคนก็ให้ภาวนาค้นหาหมูลเหตุแห่งบาปอากุศลตอนนี้ให้มันพบภาวนาทำใจสงบแล้วคือว่าตนเห็นผิดจากทํานองครองทาอย่างไรบ้างนี่นะก็ให้เพ่งพิจนารณาดูดวงขิดดวงนี้แหละมันก็รู้ได้แหละเมื่อมันหลงไปยังไงทบทวนดู มันก็รู้ได้เรื่องมันนะแต่ต้องต้องเทียบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงจะรู้ได้ว่าตนหลงถ้าไม่เอาเทียบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ทราบว่าจะไปเข้าใจว่าตนหลงได้อย่างไรเช่นอย่างพระพุทธเจ้าสอนให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมอย่าไปเชื่อมงคลตื่นข่าวอย่างนี้นะ ถ้าบุคคลที่ไปเชื่อมงคลเตืนข่าวข่าวเล่าลือต่างๆ น, านาั้นนอย่างนี้แล้วก็ทำไปตามข่าวเล่าลือนั้นจริงบ้างไม่จริงบ้างนี่นั่นชื่อว่าเป็นผู้หลงหลงทางเดินแห่งชีวิตที่พระพุทธองค์ทรงสอน ให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมนี่อันนี้มันเป็นความจริงเลยประเดียวอ่ะเป็นอย่างั้นคือเชื่อต่อการกระทาของตัวเองหมายความว่าอย่างงั้นตนเองทําดีหรือทําชั่วอย่างไรแล้วกรรมดีและกรรมชั่วนั่นแหละอานวยผลให้ตนเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ทั้งในปัจจุบันนี้และทั้งในเบื้องหน้า ที่ตนเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อยู่ในปัจจุบันนี้ก็เพราะกรรมดีกรรมชั่วที่ทำตนทามาแต่ชาติก่อนมันติดตามมาอำนวยผลให้และกรรมชั่วที่ตัวทำในปัจจุบันนี้บ้างกรรมดีนี่ที่ตนทำในปัจจุบันนี้บ้างสมทบกันเข้ามันจึงให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ได้ ต้องให้เข้าใจอย่างนี้มันจึงถูกต้องไม่ใช่ว่ามีโฆษณาชวนเชื่อว่าตรงนั้นมีผีดุอืมใครไปแล้วไม่กราบไม่ไหวไม่บวงสวงไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าเจ็บป่วยลงมาแล้วไปหาหมอหมอว่าคุณนี่มีเคราะห์ร้ายสะดอกเคราะห์เสีย คำว่าเคราะห์ของศาสนาพราหมณ์ข้าหมายเอาคล้ายๆว่ามีตัวมาแต่ภายนอกนุ่นมาแทรกแซงเข้าในร่างกายนี่นะทาให้ร่างกายนี่เจ็บไข้ได้ป่วยลงอย่างนี้นะแล้ ว, วันนี้ก็มีหมอที่มีคาถาอาคมเสกน้าเป่าเข้าไปหรือว่าเสกน้าให้กินเข้าไป เพราะนั่นก็จะหายไปอย่างนี้คนส่วนมากก็ไปเชื่อแบบนั้นนะนั่นแะแม้ผู้นับถือบุทธศาสนาได้แท้ก็ยังใช้สำนวนกันว่าเออแล้วทำบุญสะดอกเคราะห์ อ, อย่างนี้นะคล้ายๆกับว่ามัน มีตัวเสนียดจนะไรอะไรที่อยู่ในร่างกายและจิตใจของคนเราเนี่ยเมื่อทาบุญกุศลไปแล้วสิ่งเสนียดใจเหล่านะั้นจะหายไปเหนี่มันยังมีอยู่คนบางคนบางพวกผู้นับถือบุทรศาสตร์สนานี่ก็ยังทำต้ำังใช้สำนวนอันนี้อยู่แทนที่จะใช้สำนวนคำว่า ทำบุญปุสนเพื่อให้เป็นสิริมงคลป่าจะจากทุกภยัยไข้ไข้เจ็บต่างๆแทนที่จะใช้สำนวนอย่างนี้ไม่ใช่กันเลยเพราะว่ามันเคยใช้มาจากศาสนาพราหมณ์ตำราพราหมณ์อะไรๆก็ถ้าเป็นเรื่องไม่ดีแล้วเป็นเคาะทางนั้นเลย อืมอันนี้เพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาให้รู้รู้ทั้งสองทางอย่างที่ว่านี่แหละทางผิดก็ให้รู้ทางถูกก็ให้รู้อืมเมื่อเรารู้ทั้งสองทางแล้วทางใดเป็นผิดเราก็ไม่เดินมาเนี่แล้วก็ดําเนินไปในทางที่ถูกคือเชื่อต่อการกระทําของตัวเองไม่เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกรวมความแล้วเป็นอย่างนั้น ไม่จําเป็นต้องแปหาใครมาพยากรให้เลยเจ็บไข้ได้ป่วยลงแล้วก็ไปหาหมอหมอที่เขาเรียนวิชาการแพทย์การรักษาพยาบาลคนไข้ามาแล้วเขาก็มีหยกมียาด้วยอืหมอได้ตรวจได้พิสูจน์แล้วเป็นโรคอะไรหมอจัดยาเข้าให้นั่นแหละถ้ามันถูกเรื่องกันมันก็หายไปได้ เป็นงนั้นถ้ามันไม่หายรักษาอย่างไรก็ไม่หายก็ น, นึกว่าเป็นกรรมแต่เวนที่ตนได้ทำมาแต่ก่อนมันติดตามามาอำนวยผลให้ในปัจจุบันนี้แตก็ต้องอดต้องทนต่ออนาจแห่งกรรมเวร น, นั้นไปจนกว่ากรรมเวร น, นั้นจะหมดสิ้นไปความทุกข์ทนทรมา น, นนั้นก็หมดไปเท่านั้นเอง หากกรรมเวรยังไม่หมดตาบได้ก็ต้องเสวยทุกขไปอย่างนั้นแล้วก็สอนตนไปว่าตั้งแต่นี้ไปเราจะไม่ทำบาปทำกรรมเราจะไม่ผูกกรรมผูกเวเรเบียดเบียนใครเลยโดยอํานาจความสัตย์ความจริงอันนี้ขอให้กรรมเวรทั้งหลายเหล่านี้จงบรรเทาเบาบางไปจากกายจากใ จ, จ, กใจของข้าพเจ้านี้ มันอธิษฐานอย่างนี้ไปบ่อยๆกรรมเวรเนี่ยเมื่อมันให้ผลไปมากก็ไปยังเหลือน้อยแต่บางทีมันก็เป็นอาโหสิกรรมไปเลยมันก็หมดไปเลยนี่แหละในทางพุทธศาสตร์นาพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าอย่างนี้ดังนั้นเราเป็นชาวพุทธเรามอบกายถวายชีวิตบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมส่ง จริงๆแล้วเราต้องเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมดังแสดงมาแล้วนั้นอกรคำใดดีเราก็พยายามทําสะสมให้เกิดให้มีในตนให้เต็มความสามารถกรคำใดเป็นกรคำชั่วที่ศึกษารู้แล้วก็เว้นไปพยายามเว้นให้มันหมดไปเลยไม่ทําไม่พูดมันอีกต่อไปแล้วพยายามฝึกจิตใจอันนี้ให้มันสงบระงับจาก กิเลสบาปธรรมเหล่านั้นไปพร้อมกันเลยเพราะว่าบาปกรรมทั้งหลายมันย่อมอยู่ที่จิตถ้าเมื่อเราก็เพึกกำหนดใจละมันแล้วมันก็ยอมระงับไปบาปกรรมทั้งหลายนั่นนะถ้าเราไม่เ พ, พียนไม่ยามละมันไม่ทําใจสงบแล้วบาปมันไม่ไม่หมดนะบาปมันไม่ออกจากกิจใจไปเลย มันก็แทรกซ้อนอยู่ในจิตใจนั่นแหละอันนี้แหละที่ว่ามันติดตามให้ผลนั่นนะ่ะไปในโลกหน้านั้น่ะก็เพราะว่าตนไม่ละมันในชาตินี้นะ่ะปล่อยให้มันแทรกซึมในจิตใจไปถ้าพระไตรรุจตัวแล้วอย่างนี้กลัวบาปกรรมลันนี้นมันจะตามสนองตวนวใ้เปทุกข์ก็หมันขยันวหวงพระนั่งสมาธิภาวนา เพ่งจิตนี้ให้เข้าถึงความสงบอยู่ด้วยบุญด้วยคุณจะเริญนปัญญาให้มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากเป็นอัตตาบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังถ้าลงจเจริญใตรัตนาญาณอย่างนี้แล้วก็เย้งเป็นอุบายคำจัด บาปความชั่วและความทุกข์ทางจิตใจให้น้อยเบาวางไปโดยลำดับจนกว่ า, ากิเลสบาปธรรมนั้นมันจะหมดสิ้นดังแสดงมา